Book 2 <19. S> 1สิบเก้าในห้องครัวคุกหินคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะมาชนวุคุกห วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะช็อคเซชเดนิสวาริชคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารวาริชนะอิเล็กทริกอาลีโบนาปลิญะดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะมามนาครายาจซีบุลู ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะมามอชูปะเจมยากิดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะมามอมิชชาลาตแก้วน้ำอยู่ที่ไหนย s สุปหารจานชามอยู่ที่ไหนชิเริ ย, รยัต ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนครีบคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะมารชอตวาราชนาคอนซอวคุณมีที่เปิดขวดไหมคะมารชอตวาราชนาฟลชคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะมารวีเวิรตก คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ to คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบานี้ใช่ไหมคะคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ томto ที่ฉันกำลังตั้งโต๊ะนี่คือมีดซ่อมและช้อนนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก